มือนี้เป็นมือเดือนสิบสองขึ้นเจ็ดคำเฮาเได้มารวมควมคิดกลมเห็นกันเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมตั้งแต่เดือนสิบสองขึ้นเจ็ดคำไปถึงแหลมหนึ่งคำเดือนสิบสองเป็นเวลา1ิมือ เ้างทได้พ้อม อ, อกพอมใจกันศึกษาคนคั้วประพฤติปฏิบัติธรรมหลักพุทธศาสนาเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงถ้าหากผู้ใดตั้งอกตั้งใจปฏิบัติประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงอันที่เฮารู้ศาสนาพุทธมานี้เฮารู้มาจากพอ่อจากแม่เอาจากครูบาอาจารย์มันบุญแม่ขันรู้แจ้งบุแม่ขันรู้จริง มันรู้จำรู้จักพ่อแม่เขาเคยสอนมาซื้อๆ อ, อันนั้นดังนั้นเขามาปฏิบัติมือเจ็ดคำมือนี้ไปถึงมือแหลมคำานึงนี่หูผู้มีสติปัญญาจังแหลมคมแล้วหูแจ้งหูจริงรู้แล้วมันที่บอกก็เขินมันซี่บได้ไปเพิ่งไผทั้งมดมันเป็นอาสาน ดังนั้นศาสนานั้นพ่อผมว่าให้ฟังแต่ก่อนก้อนคุณผมเป็นเด็กน้อยไปนอนนากับพ่อผมเพื่อนเราให้ฟังคนเรานี่มันเกิดมาเป็นเอิญคนป้าวัตถันคนป้าเนี่คนพวกมีหมักแรกงหัวเขาไปใส่มาใส่ย่างไ ว, ไว้ๆหรือแล่นเอาันแล่นไปนั้นหรือย่างไว้นั้นไปเตะเอาหลักก็เอาต่อเรื่อ เ, อเตะสะดุดเพื่นว่า เอาหลักเอาต่อก็ลม้มล้มแล้วก็ลุกบ่อใดแล้วก็คานไปคานไปแล้วก็ไปเกาะหรือไปจับกกไม้ขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นได้ก็ย่างไปหรือแล่นไปแล่นไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเตะเอาหลักเอาต่อแล้วมันล้มลงมาัสนมันคนบ่มีหมากแร่หกเขา่าสิคนเหล่านั้นหาจั บ, จบตักแตนแมงไหมหรือจับสัตว์กินคุณว่าบ่มีสินบ่มีธรรมเป็นอย่าง น, นั้นอยู่ในป่า นอนปลาบ่มีบ้านบ่มีเงินยังคือเดี๋ยวนี้มื่อเนี่คนเหล่านั้นยู่มารู้จักเป็นพักเป็นพวกเป็นมู่เป็นฝูงกันยู่ดมกันมาถึงเก้าคนสิบคนเป็นกุ้มกันยู่ยู่มาแล้วบัดนี้มีคนขี้คานคู้หนึ่งเพื่อนไว้ฟังยู่ดมกันมาฝนตกฟ้าหองมาแล้วมือนคานตื่นตื่นคานตื่มือเสา แต่บันนี่มู่เก้าคนหรือหกคนนั้นเนึหมู่่่นั่นแหละในกลุณนั่นแหละมันคนนั่นขนขี้ขาดไปเก็บเอมามักไม่ในป้าในดวงมากินครับเมือ่อใดฝนตกฟ้าห้องฟ้าลมหลายมันล่นลงมาตัวค้างตัวเลียงก็ไปกินก้อนไปสวยกับโบได้เมือ่อใดฝนโบตกหลายไปเต๊ดดึกมันล่นลงมากระทันได้ได้กินกับค้างกับเลียงนั่นแหละ อีตาคนนั้นเกิดคานขึ้นมาคอยท่ารักของมู่กินอืมู่ได้มาแล้วก็กินอันมันบ่มบดแล้วก็เอาเซิร์นไว้แล้วก็ไปหาไม้มากินบ่มเหมือนเราเซืร์นไว้อีตาคนคานนี่ก็เลยโบไปคอยลักกินของมูอยู่ท่านละวันนี้เมื่อได้ไปเก็บในฝนบบตกหลายก็สร้างหูือฝนตกหลายก็ตามไปเก็บไปโบทันข้างทันดี๋มันโบได้กินกลับขึ้นมาที่มากินของที่เขาเก็บ เตือนไว้นั่นล่ะอีตาโคยุให้เป็นลักกินก่อนบันนี้ก็เลยหู่จักว่าผู้ใดมาลักกินของเขาหึงที่บอลลิมียังวันนั้นเลยเกิดหุ่นจักพี่มาได้บัด น, นี้แต่ก่อนบ่เคยว่าพี่ก็บ่เคยว่า<ม>ก็เลยจอบเบิง้งแต่งกันจอบเบิง้งตกเพียนกันยุยงามคือยังเหวยยุยงามกว่าสมัยเดียวนี้แหละจอบเบิง้งแอบเบิง้งพอดีมูออกไปแล้วก็ลุกออกมาแล้วลุกมาซอกเอา ของมูน่ะเอาไปกินบ้านี้ผู้นี้เปรียกกันอยู่บันเนี่ยผู้นั้กันยู่ไปมื่อนะ้าผู้นั้นยู่แอบเบื้งเห็นจํานวนคนที่ไปยุ่เป็นกุ้มเป็นมู่กันนั้นสมมุติเอาอันนี้สมมติว่าสิบคนสะกสิบคนแล้วก็ไปเก้าคนแอบเบื้งซูมือซูมือหดเก้ามือแล้วก็เห็นมัดทุกคนพอเดู้จักว่ัยตาคนนี้เป็นคนขี้คานคนขี้รักแล้วพากันไล่นี่คนป่าเนี่ไล่อีตานั่นนี่ ไล่นี้แล้วก็ได้หนีแล้วมูว่บให้อยู่นําเป็นคนโบดีเจ้าเนี่ยมายูหนําหมูลักของมู่กินแล้วก็ได้หนีหนีแล้วก็ไปยูผู้เดียวบ่นเนี่ยยูผู้เดียวกับมันกับยานยานผียานเสือยานสอันแล้วมันก็บโมีคู่ได้ไปยูผู้เดียวก็เดีสํานึกได้รับสารภาพควมผิดที่เราได้ให้ผิดนั้นมาหามู่มาข อ, อยูหนึ่งมูมูก็ให้ยูนํา ให้เลิกละจาะข่มส่วอันนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยแต่ว่าสิ้นธรรมเกิดขึ้นแล้วนี่เลิกละนี่นี่ต่อมาเขามีผู้มีเมียกันบันเนี่ยคนยุคนั้นแหละเขาแต่งกันให้มีผู้มีเมียเพราะว่าผู้สายนั้นบ่มีลูกผู้หญิงมีลูกเป็นอะไรท่า น, น, นคนยุคนั้นบ่มีผู้ไมีเมียเอากันอยู่นําป้าน้ำดงนั่นแหละให้มีผู้มีเมียบัดเนี่ย ให้ผู้ชายเป็นผู้มีอำนาจคุ้มครองป้องกันบางคน ก, นอกอ็อยากได้สองอยากได้เมียสองคนในวัยใดไปตอนนั้นเราเลือกเฟืองอะไรบันนี้บูดีหรอบันนี้ยู่มาคนหนึ่งมันมีมเมียผู้ละคนไปลักลอบหรือว่าพยายามประจบประแจงให้มันดีขึ้นกว่านั้นล้วไปคุมคืนผ้าฟืนลูกเมียผู้อื่นเขาไ่พอใจเขาว่าสู้กันฟัง วันนี้เขาไล่นีอีกตื้มคนผู้นัน้นบไดีให้หนีให้นี่ก็ได้นี่แล้วบ่ห น, นีหนีไปอยู่ พ, พ, พอเฮาบ่นเหน็บไปอยูย่ผู้เดียวมันก็บอดีอีกตื้มเอกลับมารับสารภาพกับมู่มู่กันเห็นว่ามันสำนึกได้บ่อยเฮ็ดต่อไปไปเฮ็ดก็บอดให้เฮ็ดเนี่ยมันสิ้นธรรมมันก็คืนแล้วนี่การคมคืนผ้าฟืนหัวใจกันมันบอดีมันวันนี้อยู่มาก็มีผู้หนึ่งอีกตื้ม เป็นคนคิดตัวมันเนี่ยตัวมูวไปหั่นมานี่เห็นอันนั้นเห็นอันนี้ไปอ้มูพามูไปเบิง่งมันบุยเห็นบุนี้เนี่ยอันนี้ก็ซื้อว่าคิดตัวไล่นี้บุให้อยู่นรกันคนเราเน้นบุให้อยู่ก็เลยบุได้อยู่นามูบันนี้ขาว่าเล่านี่แหละเล่าไปว่าไปเห็นนกเนี่ยหกกินเล่ากินอย่างอยู่นโพงไม่เอามากินนี่แหละเมาบ่นเนี่ เมาแล้วก็กินกินแล้วก็เมาเมาแล้วหลายคนกินมันเมาเกินกต่อยเตะกันมันสู้มมันเมาก็เลยมาเว้ากันสาวไว้กินน้มาเนี่ยก็เลยบัได้กินเนี่ยแสดงว่าสิ้นอันนี้มีมาก่อนบัวได้เมนพระพู้ได้เจ้าบัญญัติขันจิวาตามพ่อผมไว้ฟังอันนี้อันนี้เราสิ้นธรรมแต่สําหรับโตปานานี่แทบบัได้ยินเพราะคนเหล่านั้นยู่ป้ายู่ดงจับสัตว์กิน เขาจึงเลยบวบัญญัติข้อปานานี้ขึ้นอันนี้แสดงว่าสิทธเกิดขึ้นแล้วนี้เอื้นว่าแสดงว่าสิทธรริ์ทคนยู่ใส่ต้องมีการหักการแพงกันอบ่ลักบลเอาของกันหรือบวบผ้ า, าฝืนลูกเมียกันบวโกหกบวตัวกันอแสดงว่าคนเหล่านั้นมีสิทมีธรรมบวกินเหล้าเขาบุกหุก่นยาเหล้าหรอกน้ําอยู่นยนำพงไม่เอื้นว่าไปกินจ่มันเมา เนี่ยเป็นสน น, นบัด น, นี้ตอนปานานีมม่ที่เป็นผู้ใดบัญญัติเพ้นกับผมก บ, บงผู้จักเพ้นกับเว้าสู้ฟังจะพอจำบูได้เรื่องนี้ก็แสดงว่าข้อปานานี่เกิดทีหลังปานาอาทนาการเมมุสาสูลานี่ห้าข้อนี่จะได้ยินแต่สี่ข้อนั้นเพคนไหว้ฟังนี่เป็นสนนในการแสดงธรรมะที่เหาศึกษากันอยู่ซู่มือเนี่เห่าบูได้ศึกษาบูได้คนคว้า หาของจริงเขาก็เลยรู้จำมาเท่านั้นอันนี้ผมก็รู้จำมาผมบวทันู้แจ้งบทชหนูจริงต่อมาคนยุคนั้นก็รู้จักมีการปลูกบ้านแปลงเงินอยู่มารู้จักอนุเคราะห์ส่งเคราะห์กันเรียกว่าการทาบุญคนยุคนั้นเขาย่านฝนตกฟ้าหองแผ่นดินไหวกลัวต้อไัยธรมรมชาติต่างๆหาที่พึง่งหาที่พึ่งคนมันตายเป็นมันเกิดมาแล้วมันตายเป็น เพิงผีผีให้ผีนาผีหัวผีส่วนผีป้าผีพูก็ไม่แย่ส ก, กัดไปกล้าไปไว้กันมืดนี่เขาว่าผีเพิ่งผีค น, น, น, น, น, น, าา น, นุนนั้นยังม่ทำมีศาสนาผาแต่ว่าศาสนาผีอ่ะนะศาสนาปีาศาจผีปีาศาจมีผีฟ้าผีอันใด ห, หูมันหลายผีคนเราสู้ฟังผมก็จําได้เพราะเป็นเด็กน้อยเป็นนว น, นาต่อมาก็มีผามีคนสลดัด ว่ามีาศาสนาขึ้นมาดูลึกดูงามเลือกงามยามดีปลูกบ้านแปลงเฮือนเอาผัวเอาเมีย น, นี่ดูลึกดูงามนี่เรียกว่ า, าศาสนาพามเกิดขึ้นแล้วอันนี้นี่พามณ์ไปว่าคนพูทสลาดหา ก, กินโดยที่ว่าคนยั ง, งโง่อยู่นั่นก็นให้พรามนั้นลอกเอาเป็นอันัรนนี่ผมมาปฏิบัติธรรมะพี่ผมฮู้ขึ้นมาจากจิตสํานึกแท้ๆอันนี้ผมเข้าใจอันตรน นี่ได้ว่าศาสนาความเกิดขึ้นแล้วนี่เสียเคราะห์บูชาฮับโซกเนี่ยดูลึกงามยามดีที่ไปซื้อไปขายอันนี้ผมหัดไปค่าไหมไหมอันนี้เป็นพี่สาวแม่เท่าผมพึ่งวามาสู้ขอนให้ว่าไปค่าไปขายนี่นอนหลําให้ได้เงินมืดนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือให้ได้แก้มนิโซโทษให้ยมมาพานมานให้ยมมาเบียดก็สันผมไปค่าเท่านั้นฆ่าถืนซ้ํา ผมก็เลยโบเสือวมันขาดทื่นเนนผมเลยโบเสือโบสู้ขดจักเถื่อเต็มมือ น, นั่นมาผมอันนี้แสดงว่าเขาโบหุ่นจักเขาดีใจเมื่อสมวาววให้หันผมเป็นอ่างสันและต่อมาก็มีศาสนาเทวดาเ พ, พื่นพว่าศาสนาเทวดานี่ก็มีการบวงส่วงอ้อนวอนขอร้องให้เทวดามาคุ้มครองป้องกันรักษาตายแล้วที่ได้ไปเกิดกับเทวดาเนี่ยว่างสัน อันนี้ผมได้ยินมาจากพ่อผมอันนี้แต่ผมก็จะมีบบมีบโบจักแล้วเป็นเ้องมาสู้ฟังกระจามาต่อมาผมมาบวชเป็นเนรอายุสิบกว่าปีนะครับอืออายุสิบกว่าปีเนี่ยผมมาบวชเป็นเนนทํากรรมาฐานมาผมบวชเป็นเนนปีหกเดือนครับทํากรรมาฐานในเรื่องนั่งขัดสมาธิเขาเรียกว่าขัดธรมมะเพชรวัฒนเพชรวัตถีแลละครับขัดธรรมัะเอาตีน เรขัดขึ้นมาเกาะบินองสิหนั่งหลับตาภาวนาพุทโธพุทโธอย่างนี้แหละเรื่องการตักบาตรจังหันเพนนั้นผมเพ็ดมามดครับเรื่อหมุนภาวนามันหลับไปเลือดเทีอม บ, บูรุจักเนื่องว่าเจ้าของได้ทำกรรมฐานได้ดี ย, นนะยื่นมาผมมาซึกเป็นคนนุ่มอย่างว่าเมื่อกี้นี่นะครับไปคาไตคาตะซู่ขอนให้กะ ดีใจเมื่อเจ้าของสิบได้เงินแทนเนี่ยคนที่สุดขาดถึงสามเท่อ น, นั้นนเป็นอย่างสั้นเรื่องการรักษาสิ่เนี้ผมเคยรักษาแต่เมื่อผมเป็นนุ่มครับยื่มาอายุยี่สิบปีผมก็มาบวชอีกทมเป็นเจ้าหัวหกเดือนผมเข้าไปในสิมบนเนี่ยสั่นเข้าเอกาสั่นเข้ามือเดียวอืเขาเออสั่นเข้าเอกากับภาวนาพุทโธ กับนับ1นึงสองสามนี่ผมเหดเป็นมาแล้วครับเรื่องมุนีภาวนาพุทโธสัมมาอรหังหายใจเขา้าหายใจออกนี่ถูกต้องดีได้ผมสงบดีครับนั่งหลับได้เป็นอาาย่างไรครับผมก็ย บ, บุญหุจักว่าบุญคือหยังบาบคือหยังศาสนาเนี่ผมบูรูุจักแข่ห้จักน้อยห้จักนํำพอ่อนํำแม่นํำครูบาอาจารย์สอนมาซื่อๆต่อมาผมได้ทาบุญ ให้ฐานรักษาสิลเฮ็ดมาอย่างวานนี่ยทำอัฐากันถิ่นบวชหดนีนผมเฮ็ดมาเมื่อทำบุญสองหอมธาตุผมกเ็เฮ็ดเฮ็ดน้ำพอน้ำแม่น้ำเท่าน้ำแก่ผาเฮ็ดเอาเงินไปล่อให้เป็นพระพุทธรูปเงินผมก็เฮ็ดสร้างโบสถ์สร้างสินในผมก็เฮ็ดสร้างสนุนฐา น, นี่ผมก็เฮ็ดครับผมได้สร้างมาเมื่ได้ทำมาเมื่อทุกอ่ครับผมก็นึกว่าผมได้บุญครับแต่ผมบูรหักบุญอันนี้แหละครับ คนบูฮู้จักบุญนั้นเอาบุญบเปลี่ยนครับได้อยู่บุญแต่หักบูฮู้จักบุ ญ, า บ, ญบางทีอาจอได้ก็ได้เป็นอย่างนั้นผมเมื่ออายุสี่สิบหกปีเนี่ยผมไปปฏิบัติธรรมะเมื่อไปปฏิบัติธรรมะข่าวนั้นพี่สอนให้ไปขอกรรมฐานหรือสมถานสิบแปดคือกันนี่นะครับเมื่อแปดคำพี่ให้กรรมฐานหลวงพ่อวันทองครับ เป็นอนัญโยแก่แล้วให้มาภาวานาตายตายตายเนี่ยหายใจเขาก็ให้ว่าตายหายใจออกก็ให้ว่าตายอย่างนี่นะผมเฮ็ดนําเพลินเฮ็ดไปเฮ็ดมามันเกิดผม ข, ข, ขี้คานเขาครับเกียร์คานไม่อยากเฮ็ดไม่อยากทํานอนนอนเราสักพอนี่เปิดไว้สิมานอนดื้อเพื่อว่าลุกลุกเลยไม่เฮ็ดไปทไําไมสัเพื่อว่านอนมันจะเป็นอันสั น, น, นสกลับไปกลับมาบู๊หุจักครับมือแปกคํานําผมกา เฮ็ดเพิ่ตื่นภาวนาเนาอนมันขั้นก่อ น, นเลยตดัดสินใจนอนตื่นมาจะเป็นเมื่อเก้าคำครับแต่พอฉันหุงงทีแรกตื่นมาในเกณฑ์ตีสองตีสามเนี่ยครับลุกมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วับมาเดินจมกลมมานั่งภาวนาทำไปทำมาเฮ็ดจังหวะพลิกมือขึ้นคว่มือลงไปอย่างนี้แหละครับมือนั้นเฮ็ดมดมือเหื่อย่อยหน้าย่อยหลังผมว่เสาได้ผมเฮ็ดแท้ๆได้ครับ ยังมาพวกเขามาที่นี่ก็ต้องทํากันในแทครับโบหูคำอาบน้ำ ม, มาแล้วเฮ็ดมัดคืนอีต้มเตินมานอนพอเด็กนอนเตินมาจะเป็นมือสิบคาเอากันนอีต้มมาเฮ็ดเมื่อนั้นก็ได้เมื่อนีงก็ฮเฮ็ดเต็มทีครับเป็นมือสิบคานี่ก็เลยมันจวนจิสว่างมาแล้วครับนี่เฮ็ดมาเฮ็ดมา หูครับบนานจากน้อยอันนี้ครับหูแทๆ้ๆรับรองรับรองหูงในขณะนั้นผมนุ่งกางเกงขาสั้นครับนุ่งกางเกงขาสั้นแมงงอดตกเสีขาผมแมงงอนมันลูกอ่อนมันตกเสียขาผมตามปกติผมมีอันไรตกเสียขาผมผมปัดปัด๊บโลดเดี๋ยวนี้มันโบปัดมืนมันเกิดเพอจังไงหูครับเลยเบิ้งแมงงอดลูกมันแลนอยู่นําขาผม แม่มันมุบอยู่ขาทีผมนึกพิจารณาเลยรูรูรูน้ำรูทำน้ำทำรูโลกน้ำโลกรูทุกขังอนิจจังอนัตตารูสมมุติรูศาสนารูพุทธศาสนารูบากรูบุญรูจริงๆครับอันนี้อันนี้แหละว่ารูแจ้งรูจริงครับบ่าเป็นรู้จำว่าเป็นรู้จักรูแจ้งรูจริงรู้มาจากจิตสํานึกจริงๆอันนี้ครับเป็นอย่างนั้นผมเกิดผมรู้ขึ้นตอนนั้นครับ ตั้งแต่เ้าเสาครับตีห้าเนี่ยมันเป็นมาครับเจนเท่าคําครำเมื่อแหลงไปเจ็นเจ็บหัวครับมันลู่โอ้มันลู่สารพัดสารเพรย์ลู่หัวใต้ดินใต้น้ำใส่มันลู่ไปมดอันนั้นบมเมนครับเป็นขุมลู่ของวิปัสสุขขุมลู่จริงจริงที่มันโหลงโบลืมเป็นขุมลู่ของปัญญาเกิดขึ้นจริงๆรินั่นคือลู่ลู่ลู่น้ำนี่ครับลู่ลู่น้ําลู่ทำน้ํำทำลู่โลกน้าโลก แล้ก็รู้ทุกขงังอ น, นิจจังอนัตตารู้สมมุติรู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปรู้บุญรู้อันนี้อันนี้เป็นปัญญาสํานึกเป็นการเจริญสติเป็นการเจริญปัญญาบุญหลกบุญจ้าคืออันนี้ครับหลายปีมาแล้วบุญครับเป็นอะไรดังนั้นพวกเขามาปฏิบัติธรรมะนี่ตั้งอกตั้งใจผมเลยมาย่างไปย่างมาเดินจ ม, มนนก้มวัดสลักวัดสงกรได้ บันนี้มัน้ายๆคือมีคนมาสก ข, ข้างนี่วูบหนึงหาบเหินเป็นเพื่อสองเนี่ยผู้ัวจักแต่น้อยเพื่อสามเนี่ผมหู้จักแต่บันนี้โอ้มันคิดเด้นเนี่ยว่าสันเลยคอยบึงผมคิดเฮ้คือแมวคอยจับหนูนี่หละหนูออกมานี่กระโดดหมานี่แมวมันโดดจับย่างแรงนี่หละจับย่างแรงหนูมันไปบได้รดมันสต๊ตายทันทีหนูเนี่ยแน่เป็ น, นว่าสัน พอดีมันรู้จักอันนี้แหละรู้จักจริงๆครับมันรู้จักอันนี้แล้วเดินไปเดินมาเดินไปเดินมากลับไปกลับมาครับตอนเศ้ารู้อันนี้เออตอนแรงรู้อันนี้ผมพูดตอนเศร้าหลงเมื่อกี้เนี่ยตอนแรงรู้รู้จริงๆครับรู้ในขณะเดินอันเนี้ยในขณะรูรูน้ํานั้นรู้ในขณะนั่งรู้ความคิดนี่รู้เมื่อเดินครับย่างไปย่างมารู้จริงๆ น้ำหนักตัวของผมนี่สมมุติร้อยกิโลนี่ผมเอาเทมหกสิบกิโลอย่างน้อยที่สุดครับอันว่าตามใจผมนั้นว่าผมเอาเทมแปดสิบกิโลพุล่งน่ะเป็นอะไรนี่แหละเลยหู้จักบาปหู้จักบุญหู้จักจริงๆครับมันนี่หู้จักแท้ๆอันนั้นมันสมมติซื้อมาสั่นนี่แหละเอาบุญมันบุหู้จักบุญมันก็เลยบ่ได้บุญได้บุญน้อยมัได้หลาย มาตามใจแล้วว่ามันบุได้จากน้อยส่นมนะบุญกระ บ, บุกจักสินนะอันเฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานทางถนนหนทางปลุกสาราอการปอยเรียนสร้างโบสร้างมันเป็นการสร้างคนณดีคุงามซื่อๆมันบุเป็นการสร้างบุญวาสันผมเข้าใจวะสันแต่มันก็มีส่วนดีคําว่า บ, บุญนี่หมายถึงความสงบซื่อๆนี่นะอืหมายถึงความสงบเขาอยู่มั่นกันหลายขนโบคุกคีกันเนี่ยโบผิดโบเถียงโบรักโบจกบบป้อยโบดา บุคคาบุตีกิดเนี่ยบุญมันสงบอันนี้บุญไปว่าข่มสงบข่มสงบนั่นก็มีสองอย่างอีกเติมครับเป็นนั่งกรรมฐานสงบอยู่แลก็กมันอันนั้นก็เดีเต้มันนับว่ามัสงบอคำว่าสงบนี่มันสงบด้วยสติปัญญาพี่มันยังไม่สงบครับสงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะนี่อันบุญนั้นเขาเป็นนั่งกรรมฐานอันก็สงบแบบหนึ่งแล้วเขายุ่งกันหลายๆายคนนี่เขาบ่ผิดบ่เถียงกันนี้ บลักบอกปอยกันนี่อันนี้ก็เป็นบุญอันนึงพาให้เขาอยู่เป็นสุขเนี่เป็นอะไรดังนั้นบุญจึงว่าความสงบขวมบุเดือดร้อนขวมบุญวุ่นวายเป็นว่าอะไรเป็นบุญน่นอันเขาเอาเข้าไปให้เจ้าหัวไอจัวกินนั้นเป็นบุญอันนั้นก็เป็นการอนุข้อส่งของ้อซื้อศาสนาอื่นขเข้าไปเฮ็ดบือไหมศ า, าสน า, าคิดสุมือเนี่ยขาเอไปยังซื้อเสื้อซื้อผ้ออาซื้อยามาให้กันเผยแพคกันโยนนั่นอันนั้นก็แม่ยุส่วนดีกับมียุ แต่ผมหูจักขังสันแต่ก้อนผมก็เคยว่างเป็นอันต์นเทเทล้อยเปอร์ซ็นพุ่งละผมก็จะเข้าใจของสันในขณะเมื่อผมบวชเป็นจัวนี่ว่าเอาเข้าไปตักบาตรเนี่ยได้ผลอันนี้ส่งหกกับว่าสันเอาเข้าไปจังหันเมื่อเทานี่ได้ผลอันนส่งห้ากับว่าสันเอาไปส่งให้มือสวยนี่ได้ผละอันนี้ส่งสี่กับ <S S S S วันสันกับนึ่งกับอ้วนลอยโยดลึกร้อยโยดวันสัน ร้อยปีของเมืองคนนั้นจึงจะไปเป็นปีทิพย์ของเทวดาปีหนึ่งเทวดาจึงเอาเม็มดบางนามาทิ่มใส่ให้มันเต็มขุมอันนั้นคำว่าทางเลึกอันนี้คำว่าทางสูงทังใหญ่กับอ้วนลอยโยศลอยโยศบนคนนั้วสูงลอยโยศนะอีกต่มร้อยปีของเมืองคนจึงจะไปเป็นปีทิพย์ของเทวดาปีหนึ่นเทวดาจึงเอาพ้า อ, อ่ อ, อนนี่ไปกู้ดลงมาให้มันฮาบปันเพียงไปแล้วก็เป็นกับหนึ่งว่าทัน อันเอาไปทิ้มใส่สาใส่บอยนั่นก็ให้มันเต็มแล้วก็เป็นกลับหนึ่งวัสดปัทโธเม็ดนางานเนี่ยมันจะไปทิ้มได้เต็มตั้งไหนก้วงต้องลอยโยดนี่นะลองหาไปทิ้มใส่กระลัวยยากระเพาะนี่ก็เราไ่แม่ทิ้มใส่กระโทนนี่ก็เราไม่แม่ว่ามันก้วงกระใดมันว่เต็มอันนี้แหละมันเป็นสมมุติเวา้ามันเป็นสมมุติเราผมไปเจริญสติแบบเจริญปัญญานี่แหละผมรู้จริงๆ ร, รู้เรื่องนี้รู้จริงๆรินะ มันบวแมนมันแมนอยู่แต่มันแมนสมมติมันสมมุติเว้าอันเม็ดบางงาคือตัวสติตัวปัญญาเขาเนี่ยพลิกมือขึ้นหูเมื่อคว่ำมือลงหููเมื่อยกมือไปหูเมื่อเอามือมาหูเมื่อพลิกตาหูมื่อหายใจเข้าหูมื่อยนลื่นตาหูมื่อเนี่ยเกินน้าลายพ่านไปในลาคอไปในหูเมื่อเนี่ยหู้เมื่ออันนี้แหละมันหู้เมื่อเข้าหูมื่อเข้ามีสติติดต่อกันเข้ามีสติติดต่อกันเข้ามันเสืมยงเข้าอย่างสินา มันเลยเกิดปัญญารู้แจ้งรู้จริงแท้ๆอันนี้โอ้สันมันเลยไม่ตรวสติอันนี้นี่เด้สันอันมันเต็มเนี่ยวันสันมันรู้จังสีจริงๆครับรู้จริงๆเนี่เราเบื้งดูวเฮ็ดเบื้องแม่รับรองรู้แท้ๆอย่างวให้พวกเขาตั้งอกตั้งใจอยาขาดนี่บุญอ่ะมันอยู่นี้บุญคือหูบุญคือสลากวะสันบุญกุศลสันว่าบุญคือเขาเฮ็ดแล้วมันเต็มมันดีใจ เฮาตักบาดรแเฮาก็ดีใจเป็นหมดเนาะเนี่ยเฮาเฮ็ดอัฐกันทิ่นบุญเดือนห้าเดือนหกหรือบุญพระเวทไม่ไดเฮาเฮ็ดแล้วเฮาก็ดีใจบุญอันนั้นดีใจสั่วคู่สวขาวเท่านั้นบุญไม่ใช่ดีใจอยู่ตลอดมือตลอดวันมิยังไห้อันนี้มันดีใจในแท้เด้เนี่ยมันใจมันเบาอันเนี้ยดีใจกับใจดีมันเทียเป็นคนละอันกันเาไปทําความสงบสงกะสงบอยู่ซื่อบาทมาเฮ็ดอันนี้มันใจดีอันเนี้ย มันใจมันดีมันบบโกด์มันบบโลบมันโบหลงมันเห็นอยู่ซิอันนี้แหละหูจักแท้ๆบุญจีวะข่มสงบหรือเป็นกุศลก็ได้เป็นบุญก็ได้มันสลาดมันรู้มันเห็นมันเข้าใจนี่เป็นให้เหามาพยายามทําำข่มรู้สึกตัวอันนี้แหละเป็นยอดบุญเป็นต้นบุญก็ได้เป็นกลางบุญก็ได้เป็นคะแนนก็ได้หมดนี่มันเป็นอะไนเข้าใจจริงๆให้พวกเหาตั้งอกตั้งใจ มาพิสปฏิบัตินี่แหละเป็นการซืบโต อ, อายุพระพุทธศาสนาผมสร้างโบทหลังนึงผมเข้าใจว่าผมได้สร้างโบทนี่เป็นการซืบโต อ, อายุพระพุทธศาสนาเอาแต่แม่นน้อยบุเบีนหลสร้างบทก็หมายถึงมาสร้างตัวสติปัญญาเขาได้มันหนักแน่นเนี่ยเนี่มาสร้างสติปัญญาให้มันมีสติปัญญารู้เหตุมันจิตใจมันหนักแน่นเนี่ี่โบทนั่ะเนี่ยเป็นโบทแท้ๆเป็นสิบแท้ๆละอันนี้ นี่แหละให้พวกเห่าตั้ง อ, อกตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติอย่าเป็นคนกเกียจค้านอย่าเป็นคนมกักหลับมักนอนพยายามเลิกละควมลงพ็ษมันจะเลิกจริงๆผมหู้จากแล้วผมเลิกละได้หมดแต่ข่านั้นผมสูบยาเมื่อผมไปปฏิบัติทําอิฐผมสูบยากระป่องไปซื้อมาจักเวียงจันเพราะเวียงจันกับสีสียงไม้มันตรงกันข้ามมาสูบยาผมมันรู้อันนี้นะผมเลิกได้แท้ๆครับ เลิกได้จริงๆเนี่ยบอได้สู่มาตั้งแต่มือนั้นครับเจนทาวเมเนพี่บอมันคายคาย ค, ายคือวันมันเบื่อไปหมดเนี้ยครับคำว่าจริงๆกับมันอาเจียนออกไปคือห้าออกบปนี่แหละครับผมเห็นมันเป็นทุกข์จริงๆครับหายใจเข้ากับทุกข์หายใจออกกับทุกข์พลิกมือขัวอ้วมือเป็นทุกข์ทั้งนั้นกินเข้าก็เป็นทุกข์อยู่แล้วครับผมรู้จักต่างๆจริงๆผมจึงเลิกละได้ผมจึงโอ้เมันแมนขวมพระพุทธเจ้าแท้ๆ พระพุทธสอนให้หั้จักทุกวรรษนทุกสมุ ท, ทยัยในโลดมักวรร่สสน์มันเห็นทุกจริงจริงนี่แหละทุกขังอันนี้จังอนัตตาจริงจริงครับนี่มันเป็นอย่างไรดังนั้นจึิงว่าตั้งอกตั้งใจเรื่องศาสน า, ศานนี้ศาสน า, าคือคนครับตัวคนเนี้ยตัวศาสนาโบมินวัดโบมินพระพุทธรูปโบ ม, มิน ต, ตัวหนังสือโบ ม, มินอย่างทั้งมัดอันนั้นกับเมนยูมันไม่สมมุติอันนึ้นครับนี่นั่นเป็นอย่างไรเมื่อนั้นผมรับรองผมเป็นพระได้ครับพระทางจิตใจเด้ครับ ถ้าอันนี้มันว่าเป็นเครื่องหมายคืออย่างที่เราเห็นตํารวจเห็นโคเห็นทหารหรือเห็นนายอำเภอโมนั้นใส่เครื่องหมายอยู่แบบเครื่องแบบเครื่องหมายอยู่ในบ้านมันบเป็นื้อสั้นเี่ครับเครื่องหมายอันนี้มันจิตใจตั้งหากนด้ครับนั้นจึงว่าให้พวกเราตั้งกกตัง้งใจผู้หญิงผู้ตายปฏิบัติได้หมดเจ้าหัวไอจัวปฏิบัติได้หมดเบิกก็ได้เบกิบกก็ได้ผมได้สอนมาแล้วครับลูกผมผมกระสอน เนี่ยผมผมก็สอนเนียให้เขาหูเมื่อหูแล้วมันเข้าใจครับนี่เรื่องบาปเรื่องบุญอย่าไปรอคอยพี่เทวดาที่ได้บวมมาซรอยเ่าทั้งมัดเรื่องนี้นี่แหละผมเข้าใจเรื่องหลักพุทธศาสนาจริงๆอันนี้ครับศาสนาเนี่ยคือคนโตคนทุกค น, นะตัวศาสนาพุทธศาสนาคือโตสติโตสมาธิปัญญามาลู่มาเห็นสภาพภาวะเขานี่แหละเขาเคยได้ยินบ่ก ในสมัยเมื Hoy, in, ah ů, ่อพระพุทธเจ้าย mm ัง hmm. บ mm. ุทฐนตายยังบุษณีพานว่ากับพระวรกลิศว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมจะยุกไก้พระพุทธเจ้าก็ับธรรมซังพระวรกลิศจับสายจีวรหรือจับนิ้วมืออยู่กับโบเห็นพระพุทธเจ้าเพราะโบเห็นธรรมเห็นธรรมนั่นอย่าไปเสือผมได้เหตุมาแล้วครับสีแสงพี่เทวดาดวงแก้วหรือพระพุทธรูปนึกย่าเสือแท้ๆครับดนึกกับจีเสือกับาสร้างผมโบเสือเดียวนี่แต่ก่อนผมเสือ เห็นธรรมะถึงเห็นโตเฮาเนี่ยโตเฮาเนี่ยทําดีทำซั่วอยู่เนี่ยเอนี่อเห็นธรรมะแท้ๆแล้วอันเนี้ยเนี่ยเห็นธรรมคือเห็นเล่าสันก็เห็นโตเฮานี่สัะไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็ดหยั่นไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันกับโบแมนแล้วมันกัไปเห็นเจ้าสายสิทธะกุมารพระพุทธเจ้าูนเนี้ยนั่นมันโบแมนเห็นเล่าแล้วนั่นเห็นเราก็เห็นโตเล้าสนุวะไปเห็นโตเฮานี่สันวาทําพูดคิดกับเหตุอยู่นี่สันว่าทําด้วยมือพูดด้วยวาจา คิดดีคิดส่วนเนี่ยมันเห็นทำเห็นอันนี้เขาได้ยินว่าพูดเคยได้บวชกับสีได้บวชอ่านหนังสือ น, น, น้ำมรกตว่าทมที่มีอุปกรมากสองอย่างนึ่งสติคมระลึกได้สองสปาสัญญยควมลู่ตัวมาสิทำอันทายแห้งามสองอย่างขันตีคมอดทนโสรจากคมเสีงเงยงมาสรทำเป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่าง เียนี่คมละอายแก่ใจอุตปความรเกงกลัวต่อบาปกรรมเนี่ยเห่าจังไดต้องการเหาเหียนแล้วอันนั้นแต่ผมบดได้เห็นดอกผมบดได้บวชบดได้เข้าโรงเรียนมาบวชที่กับบได้เห็นนักคทำตือนักคําโถไม่ยังแต่ผมไปอ่านนี่ให้เข้าใจอย่างสั้นนี่แหละเขาบกกลัวต่อใจเขาเขาบ่มีเฮลิเขาบ่มีอุตปะไว้เลยเฮียนี่คมละอายแก่ใจเขาบ่เห็นใจเขาจินละอายจังใด กิน <S an throp od> เหล้าเมาสุราเล่นการพนันไปเทีท่ยวเสเพไปมันเป็นคนขี้เกียจขี้ขาดมันบูดีอันนั้นเพื่นว่าตั้งใจทําการทํางานนี่เพื่อนสนังสั้นเหาต้องตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าเห็นแก่หลับแก่นอนถึงเหาจิ้เป็นคนคุ้มน้อยกระทําสร้างต้องตั้งใจปฏิบัติจริงๆให้มันหู้จริงๆพึ่งได้จริงๆเพื่พนว่าอตัตาหิอัตโนนาโธสิน ตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งผีกับโบได้พึ่งเทวดากับโบได้ที่สุดพึ่งพระพุทธเจ้ากับโบได้นะเนี่ยให้ยพึ่งโตเฮานี่นะเขาเหตเองเขาปฏิบัติเองที่จะรู้เองเหตเองเขาจะเองนี้แหละพระมันอยู่ที่นี้แต่ว่าพระอันสมมุตินั่ะกับผมเป็นเจ้าหัวแล้วก็ บ, บวชแล้วก็ศึกศึกแล้วก็ บ, บวชมู้เพื่อนมู้นี่ก็คือกันละเขายุ่งกันเนี่กับผัวเมียกันมายุ่งกันได้เนี่ยมันเป็นเอาสัน แต่เมื่อบวดชโวกับไม่ออกไปแตะต้องบวชใดกานศึกออกมา ก, ก, ก็แล้วก็คือเก๋าก็ไปลูกเอาลูกเอาเมียโยอเก๋าเนี่ยมันก็สมมติสันนิวาาให้เหาวู้จักสมมุติจริงๆปกติวิ่งห่างหึ่มากับพวกกระเป้พระพุทธรูปนั่งก็เหึมากับพวกกินเนี่ยเขาเห็นอยู่นี่เนี่พระพุทธรูปใหม่เนี่ยมันพวกกินอยู่นี่เนี่ยเขาก็ต้มหัวขุจักจนมันสมมตุติให้เขาเป็นพระได้ดแท้ ๆ, ๆผมรับรองเป็นพระได้มืออันแท้ๆผมนี่แหละ เขาบว่าพระ อ, อันนี้มันบ่มีเครื่องหมายมันจิตใจมันสํานึกมันเป็นเอกความเป็นเองนะเพื่นเอิเป็นปรามาจรย์เพื่อนจิวะสมมุติบัญญัติปรามัจา์บัญญัติอัฏฐะบัญญัติอริยะบัญญั ต, ติมันพ้นไปจากสมมุติแต่มันก็ยังอยู่ในสมมุติหัน่นยังนั้นพระโซดานั้นเพือ่อนจงว่ามีผัวมีเมียอยู่ใั่เพื่นว่าเป็นพระโซดาเนี่ยมีผัวมีเมียตามประเพณีโลกแต่โมไปตกนรกเพื่นว่า ตามหนันงสือว่านานวาพาโซดาเนี่ยเสีได้มาเกิดในมนุษย์นี่เจ็ดศาสตร์วะสันแล้วก็จิตเลยจากเจ็ดศาสตรนั้นไปเนี่ยให้หูจั่งสันเป็นว่าพาโซดาเสีได้มาเกิดเมืองมนุษย์นี่เจ็ดศาสตร์วะสันนอกจากเจ็ดศาสตรนั้นแล้วเสียได้ไปเกิดเมืองสวรรค์สั้นฟ้าใส่เราบุหูจักแล้วอันนั้นหนังสือเว้าอันนั้นตำราเว้าอย่างสัน ฮาโซดาละสังยยตสามอักศกัญทิฏฐิวิจิจิตรศาสีและพัตตะปรามาตอัศนสาวาตามหนังสือสวาว้ยฮาโซดานั่นบม่มันอย่างเด้ผู้าได้กระแสภายในผพานมาสันได้กระแสของความคิดนี่เด็เนี่ยมาเห็นความคิดเนี่ยนี่แหละได้กระแสพระในผพานมันต้องเข้าใจอย่างสั้นต้องเข้าใจจริงๆถ้าหากบอกเข้าใจแล้วปฏิบัติมันเพีดดังนั้นพ่อแม่เคยสอนมาว่าสวัสด์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจสินพระนผ่านก็อยู่ที่ใจวะท่านพิณวัฒน์ใจเขายืดใส่เขาย่นเหวนี่สินวะมันจะย่นในผู้อื่นยังไงในขณะที่เขามีความโกดความโลภความโลงคือขึนเขาตกนรกนั่นเขานั่งย่ืนห้อน อ, อกห้อนใจเนี่ยเขานั้นนั่งม ก, กระ ท, ทองแดงอันนั้นใขณะที่เขายืนยุ่งบะเนี้ยเขามีความโกดความสู่นเสียอยู่เขาก็ยือนอยู่มั ก, กระ t ท, ทองแดงอัน ในเวลาเขาย่างไปนัดนบ่เนี่ยเขาหย่างเขามีความโกรธความเกลียดความสั่งควมอิจฉาลิษยาผู้นั้นผู้นี้ซื่อว่าเขาหย่างอยู่ในมกทาทองแดงในขณะที่เขานอนบ่เนี่ยเขานอนอยู่นี่เดียเขาคลิบบดีเขามีทุกข์อิจฉาลิษยาคิดอยากไปฆ่าไปตายเขาบอกอยากไปรักไปจกเขานั่นแหละเขานอนอยู่มัทศกทองแดงแล้วอันนั้นเนี่ยัเป็นอังสั้นเนี่บ่เนี้ในขณะที่เขานั่งอยู่นี่บ่เนี่ยเขาสบายใจ เขาบกคิดอิาะลศยาผู้ใดบ่นเนีย่ยเดี๋ยวนี้นี่จิตใจมันเสยๆ อ, อ, อยู่ได้เดี๋ยวนี้นี่เมนบอกหนึ่งเข้าใจอย่างสั้นนี่เสื้อเมืองสวรรค์เดินเนี่เขานั่งกันนั่งอยู่กับเมืองสวรรค์ยู่หอบพระาธาตุแท้ๆอั น, นเนี่ยนอนยูน่กันนอนยู่เมืองสวรรค์หอบพระธาตแท้ๆอันเนี่ยเขาย่าอยู่กันย่าอยู่เมืองสวรรค์บ่เนี่ยให้มาเขานอนเขานอนอยู่เมืองสวรรค์นั่งเมืองสวรรค์ยืนเมืองสวรรค์ยู่ใส่เป็นเมืองสวรรค์ทั้งหมดขันเขาบ่มีจิตใจอันโกด อ, อันโลภอันหลงนั่นแล้ว อันจิตใจโกดใจโลภใจหลงนั้นมันก็ไม่ได้มีอยู่ในเัาตลอดเวลามันมาเป็นครัง้งเป็นข่าวหนึ่งเด้มันบุเบินมาอยู่เลยเด็สมมุติคือตะเวนมันออกมางเสียและบันนี้เขาว่าฟ้าแจ้งดีว่าไงเมื่อนี้แจ้งดีาว่าเขาไปหันมานี่มาพอเนื้อมือนั้นมันตะเวนเพื่อมันมาบดมาบังฟ้าเมฆควนมันนั้นนะ่ะบังตะเวนเขาวา่าเอนฟ้ามืดฟ้าบดตะเวนมืดตะเวนบดว่าไง ได้ความจริงมันบ่มเป็นฟ้ามืดมันบ่มเป็นฝ่าบดมันบ่มเป็นตะเวนมือตะเวนบทมิอย่างนองเนกฟ้าควรเป็นไปบังเอาตะเวนซื้อนี้และมันก้มไปจับยุ่ตะเวนนันได้แล้วมันก็พลานนี่ไปซื้อนี้มันบ่ได้มายุ่งในตะเวนฮัทนั่นเราต้องตั้งใจอันข่มโกธคข่มโลกข่มลมมันกับ่ได้มายุ่งในเขาเขาบ่เห็นชีวิตจิตใจเขานี่ซื้อนี่นะเนี่ยต้องตั้งอกตั้งใจมาเบิ้งมาปฏิบัติ ทำตัวของพราเป็นผ่าแทะเพื่อนว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจเท่านั้นพอแม่เขาเคยสอนอย่างสัน้นแล้วเขาบอกว่าตายแล้วจึงเอาสวรรค์ตายแล้วจึงเอานิพพานมันจีแม่เรื่องสัน้นหมเขาได้เดี๋ยวนี้ได้แมมสวรรค์ น, นิพพานก็ได้มันต้องเข้าออเข้าใจถ้าหากว่าเขาบวชเข้า อ, อกเข้าใจแล้วมันบวได้ผลเขาเกิดมาเสียซาดขาดถึงซื่อดีเด้ถ้าหากว่า โบลูโบเห็นมันก็คาดถึงแล้วเขามาเกิดเป็นคนนี่คือกับเขาไปไปค้านี่แล้วถ้าไปค้าโบเป็นมันก็คาดถึงสนวะเขาพได้ค้าขายเป็นมันก็ได้กําไรสนวะอันนี้ก็คือกนานทําบุญให้ฐานนี่ก็คือกันรักษาสินคือกันอืรพ่อผมไวผมฝั่งเต็มมืออย่างน้อยมีซองเสี้ยนตรงกันวะสันไปรักษาสินคนนึกรักษาสิลบริสุทธิ์คนนึกรักษาสินว่บริสุทธินน์วะส คนรักษาศีลบริสุทธินั้นตายแล้วจะเกิดเมืองสวรรค์เป็นเทวดาเอาเถะท่านคนนึงรักษาสีลเบอบริสุทธ์ตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นนอนอยู่นํใ น, นฐานของพระเอาเถะท่านเป็นว่าซอกหากันบ่เห็นบัด น, นี้ซอกไปซอกมาผู้เป็นเทวดานะก้มหนุนนั้นเห็นผู้เซี่ยวไปเป็นนอนอยู่เอาเถะท่านก็เลยลงมาหาผู้เซี่ยวโอ้เซี่ยวมายุ่อย่างนี้เ่าเถอะท่นโอ้ตัวไปใส่มาเั่นผู้เป็นนอนถาม มาจากเมืองสวรรค์โอ้ไปอยู่เมืองสวรรค์นั้นเป็นยังไงเหรอ่นโอ้เมืองสวรรค์นี่สบายสนุกดีได้กินของทิพย์ของทิพย์เป็นยังไงเซี่ยวว่าท่นสวนผู้เสียไปอยู่นี่บ้บ้ไปเทือกอ่ะท่นไปอยู่สำคัญไปยังวะท่นสวนผู้เสียวไปผู้เสียบอกว่ายามวันท่านไปเทือกว่าคุณค่าของเมืองสวรรค์ให้ฟังก่นหน้าอ่ะท่นเลยว่ายฟังเมืองสวรรค์นั้นมีของทิพย์กินของทิพย์เข้าทิพย์เสื้อผ้าทิพย์อ่าอันใดเป็นทิพย์มั นึกนกเอากระได้รถวะสันบัดนี desire, ้อยู่น um <h ums> ี่ม <min utes> ันบนหน้าที่ไปสะพท่วเหาอยู่นี่สบายแล้วเสียวสัน <valuation> บ่ได้นึกได้ฝันมิยังวะสันมันต้อมีของทิพมดมันดีกว่าของทิพวะสันอวยไปข้างนี่กะตําเอารถอวยไปข้างนี้กะตำเอารถวะสันบ่ได้นึกได้คิดมิยังมันเต็มอยู่เลยวะสันอยู่นี่สบายดีสันโอ้แต่อันนี้มันขี้ว่าอันนี้วะสันมันบนแม่ของทิพได้ขี้ได้อันนี้เสียวสันเลยถามผู้เสี่ยวว่าสันบัดนี้ มืองสวรรค์นะั้นมีขี้โมเสียวว่รอสินเว้ยมันคนไม่ได้กินไม่อย่างมันกินของเทปมันกินมีขี้จังได้เซียวเหรอสินมันสนุกสบายแท้แท้ได้สนแล้วไอ้เจ้าผู้หนอนนี่ก็เลยว่าโอ้ขันพูมีขี้ให้กูกินกูก็ไปในเมืองบูได้เลยเสียวเว้ยว่รอสินก็เลิกเอาหัวมุดลงของขี้รถว่ะสินอันนี้แหละว่าวของจริงให้คนฟังแล้วมันคนมันบมเสือคนมันประกอบด้วยทุกอยู่ด้วยทุกนั่งด้วยทุกนอนด้วยทุกไปไส้มาไซมีแต่ทุกทั้งนั้น มันเอาทุกเป็นอารมณ์ค่ะว่าเจ้าอารมณ์แต่คนว่าพอเขาบุ้ยให้จิตเห็นใจเฮานี้เด้อันเขาบุ้ยให้จิตเห็นใจเฮาเนี่ยจิตใจนี่มันเป็นทุกแต่ตัวใจแท้ๆมันก็เป็นทุกอันโตผู้หูจักว่ามันเป็นทุกแล้วมันทุกเขาเคยเห็นพ่กคนตายเอามือไปเคาะตามันกระบอกว่าโอ้ยว่าเจ็บมั้ยังมันเขายังเป็นๆอยู่ในหลงเคาะมืมันกระเจ็บก็อวยขึ้นมาโรยในผู้ใดหู้เจ็บกับผู้ใจน่าเจ็บอ่ะ มันเจ็บอกเจ็บใจว่าสันขาวานะแต่มันบ้หุ่นจักเจ็บอกเจ็บใจมันเมาซื้อซื้อเป็นอะไรสันอย่าสูบเมาซื่อซื้อเมาอย่างต้องเมาความจริงต้องตั้งใจปฏิบัติจริงๆรับรองว่าคําสอนของพระพเจ้านี่ยบ่ได้หายไปไซอยู่นี่ละ ย, น, ละยนตัวเหานี่ละเมื่อเหาประพฤติดีปฏิบัติสอบแล้วมันจริงรู้จักจริงๆริงนรกก็อยู่นี่สวรรค์ก็อยู่นี่นิพพานก็อยู่นี้ คุณก้องศอกเงาววานาคือมีพร้อมแล้วทางสัญญาณเละใจมั้ยสั้นมีพร้อมมดเอาสั้นเนี่ยพ่อแม่เขาเคยบอกเคยสอนเอาไว้นี่แหละผมไปนอนนานําพ่อผมพ่อผมว่ายิ่งฟังว่านิทานพ่อผมมาว่านิทานดูพอคุณเป็นนักบวชว่าไอ้น้องไปเอาขวยนํากันว่ยอยควยออกไปแล้วไล่ควยไปไล่ไปไล้ายไล่ไปมุ้งแรงไล่มาแล้วมันบปมาบ้านที่มันกินไปไก่กินไปกินไปคํามาแล้วก็ มืดในป่าพุ่นกระจับควยแล้วก็มัดไว้สันมัดควยไว้ก็นอนนะ่ะมันนอนไปดอนมาผู้พี่งอ้ายมันย่าดบเนี่ยขึ้นไปต้นไม้พุ่นให้ผู้น้องสายนอนอยู่ใต้ดินพี่กับข่อยนอนอยู่แปล่าข่อย น, น, นอนแล้วผู้น้องสายมันหลับตีบเนี่ยข่ อ, อยก็นอนยี่นําคนนั้น่ะมันกันนอนนี่ข่อยฮะนะผู้พี่สายขึ้นไปไ ป, ป น, นอนอยู่งาไมา้เถงพุ่นมันนี้เสือมันนี่ลำมาวะสัน คนบุญนี่แขนคอกระโบยากคนบาปนี่แขนฟ้ากระชีกินมาสันลัมมาลัมมาผู้นอนกับนอนหลับโกนอยู่ซอซอสอยู่แสดงมันบุญเขจักเด้ผู้พี่อไอเดได้ยินเสียงเสือลัมมานี่ก็ใจสั้นขึ้นมาแล้วยานมาสันมาห้อยมอสแล้วมันกับลัมขึ้นคนบุญนี่แขนคอกระโบยากคนบาปนี่แขนฟ้ากระชี้กินมาสันดมผู้นอนบ่บบกิน แง่น่าขึ้นไปแส่งตาเสือมันไปพาดใส่ผู้พี่สายมันตกใจหลายท่านผู้พี่สายยานมาตกใจหลายปุ๊บหนึ่งเสือโดดกินจ้อยซ้ำแน่คนบาปเรื่นั้นมันเป็นอย่างสั่ น, นคนบุญนี่แขนขอกระโบยากคนบาปนี่แขนฟ้ากระซกินวันนั้นอันนั้นอันนั้นพอเว้าสู้ฟังคนบาปนี่มันโบแมนจังสั่นคนบุญนี่มันกบโบแมนจังสั่นนี่ผมหู้จักอยงสั่นเมื่อผมไปปฏิบัติธรรมะเนี่ย คนบาปนี่เข้าหัวเข้าส่วนผู้ใดเห็นมะคือมะแตงเห็นผั ก, ผกเห็นหญ้ามาัะเพ็ดมักคือรักของเขาเนี่ยคนบาปแล้วนั่นคนบาปมันบวชจักของเพื่อนของโต้ของเพิ่นเพิ่อนก็เสียใจเอาของเฮาเฮาก็เสียใจเน้่คนบาปอันนั้นะคนบุญนี่เข้าส่วนผักส่วนแตงส่วน อ, อันนี้ของแพ้เขาบวเอาเนี่ยเพราะว่าเอาของเพิ่นกับคึดถึงใจโตโ้รด เมื่อเอาของเขากเกษียอกเสียใจดอเนี่ยสิ้นธรรมมันมีมาแต่ก้อนๆพูดนะเขาหักบุหุจักซื่อนี่นะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาลักเขาขโมยเขาปุ้นเขาจี้กันนั่นนะมันทุกอันนั่นนะ่ะมันทุกันนั่นนะนี่แหละเพื่นว่าอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งด้วยทุกนอนด้วยทุกไปไสมมาไสม์มีแต่ทุกทั้งนั้นไปดูหนังฟังล้ำหัวเราะห้องให้อยู่ด้วยทุ ก, กทัก้งนั้นนะใจพวกนี้มันเป็นครับคนตายแล้วหัวเป็นบอ คนตายเราให้เป็นบ่มันให้โบเป็นมันหัวบ่เป็นการปฏิบัติแบบนี้บบกําหนดกฎเกณฑ์หู้น้อยผู้น้อยบวชโบบวชก็ได้คนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษคนอเมริกาคนคามนคนยวนคนละปฏิบัติได้หมดเพราะมันมีอยู่กับคนนนี่อันเนี่ยมันโบได้กําหนดกฎเกณฑ์หู้หนังสือกระร้างโบหู้หนังสือก็ตามผมไปปฏิบัติแบบนี้ผมโบได้หู้หนังสือดอกเพราะว่าผมโบได้เข้าโรงเรียน เขียนเต็ตัวลาวกับตัวทำนั่นแหละตัวไทยนี่ผมบวทันหู้จักดอกเพิ่งมาหู้จักไม่ไนี่แหะตัวไทยเนี่ยนั่นเป็นอะไรแก็โหคือกันบวชมาร้อยวันพันปีกรําสร้างขันบวปฏิบัติโบหูเห็นหนังสือจจบพระไตรปิฎกกระทสร้างผมเข้าใจอย่างแน้จริงจริงบวปฏิบัติโบหูมีเงินร้อยล้านพันล้านก็บโบหูบวปฏิบัติตะทำบุญมากมกกบะโบหูบวปฏิบัติตะเป็นอย่างไร คนจนๆก็คือกานบูฮู้บูปฏิบัติจ้ะบัดนี้คนมีเงินลอยล้านพันล้านปฏิบัติก็ฮู้อืกานปฏิบัติจ้ะเห็นหนางฝืดจนได้มาหาปุเรียนเก้าพุงกะมาปฏิบัติก็ฮู้มันเป็นอาจาให้เข้าใจจริงๆทุกกะฮู้ปฏิบัติจ้ะมันบูฮู้มาจากไปสาเพราะมันมีอยู่ในเฮานี่ของบูมีในเฮามันจีฮู้ได้อย่างไร เขาอยากเข้าใจว่าเขาไปปฏิบัติธรรมะโดยเห็นสีเห็นแสงเห็นพี่เห็นเทวดาเห็นนรกสวรรค์อนันบ่เห็นเขาบอเห็นใจเขาเนี่ยใจเขานี่มันวูบออกไปแล้วเขาบอทันเห็นมันนไปลอกเป็นมายาให้เขาเห็นอยู่นอกพุน่ะในคุบาอาจารย์สภว่าเป็นนิมิตว่าสันมันนิมิตผี่บาจังใดวัสันน่ะมันมายาจิตใจมาลอกลวงอันนั้น่ะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายพุนวาสันเครื่องหมายจังใดสมมุติเขาจะเอาไม้มาเห็ดเหือนเขาจะเอาเม็ดนึงเนี่ย เขก็ตัดออกมาเม็ดนึ่งเสร็จแล้วก็มาเฮ็ดกับพอดีเสีนว่ะขัดตัดออกเม็ดนึ่งกับคืบนึ่งมันกรบบาดแล้วก็เสียซื้อเสือเสรคืบนึ่องนั่นมันเสียอ่ะนะเม็ดนึ่งก็บซองซอกนึงเขาก็ต้องหูจักของสันสนว่ะจะเป็นหัวสาจะไหนของสันเอาพอดีเนี่ยนี่เม็ดเป็นเครื่องหมายเฮาพริบตาเขาก็หูเมื่อเนี่ยเอาสติมาคอยเบื้องอันนี้เนี่ยให้เขามีสติคอยเบื้องอยู่เนี่ยมันหายใจเข้ากับหู้เมื่อมันพลิกมือขึ้นคว่มือลงอยู่ก็ให้มันหูเมื่อ เนี่ยมันคืนน้ำลายไปในลำคอได้ไยเฮ้ยเมื่อเนี่ยนิมิตมันเป็นแนวสั้นนี่ไมเป็นเครื่องหมายจิตใจมันคิดปุ๊บนึงเห็นปั๊บรถนี่อันนี้เป็ว่านิมิตให้เข้าใจอย่างสั้นอย่าไปเห็นสีเห็นแฟงเห็นพี่เห็นเทวดาอยู่นอกหุ้นอันนั้นมันของโบจริงดอกคนที่โบฮู้มาสอนมาผมเห็ดแล้วอันเนี่ยคนโบฮู้มาสอนมาที่ฮู้บอกมันก็ฮู้อันคือโบฮู้นั่นแล้วผมครูโบฮู้เด้ ผู้สอนบบหูแล้วนะเขาไปปฏิบัติกับโบหูคือกัรนั่นสนว่าขันผู้สอนหูบ่เนี่มาปัดมาสอนเขาเพิ่นปฏิบัติมาแล้วเขาก็ปฏิบัตินาเพิ่นเพิ่นมาสอนเขาเขาก็หู้คือเพิ่นสนุะอันนี้ผู้สอนกับโบหูแล้วเขาก็ไปเฮตุแต่เพิ่นกับโบหูแล้วมันกับโบแมนอยู่แล้วเด๊มันเป็นอย่างนั้นไ้มที่นํามาลองให้ฟังเนี่ยรับรองได้อันเนี่ยเรื่องข่มโกดข่มโลรคข่มหลงนี่ข่มมันกับโบมนอยู่แล้วมันก็ยู้ซื้อเดี๋ยวนี้เนี่ย จิตใจมันสบายอยู่ิมบอสเดี๋ยวนี้เนี่ยเสยเสยบุได้มีโกดบุได้มีโรคบุบได้มีหลงมียัง้งเสยเสยบางคนบุได้เบิง่งผมเว้านีนซ้ํำฟังเสยเสยเสยอยู่ซเสยเนี่ยเนี่ยไม่เป็นอะไรสันบางคนก็ต้องพยายามฟังผมเว้าได้หูนะใจเจ้าของก็บเบิ่งเจ้าของผู้ได้สันนะอันนี้เด็ดพันวาบัวสี่เล่าพันวาเล่าหนึ่งนั้นพ่นน้ําขึ้นมาแล้วคองตะชีบ้บา้านพันวาเล่าหนึ่งนั้นพ่นน้าขึ้นมาน้อยตั้งซอไว้แล้วตั้งโจมไวแล้วเนี่ย เรานึงนั้นพ่นน้ําขึ้นไปเจอน้ําอยู่แต่พ่นน้าแล้วนั่นเรานึงนั้นแตกตุ่มอยู่ในตมในโคนพุ่นเป็นอาหารของปูของปลาของเต่าอยู่พุ่นเกษตรปัญวาผู้ใดมีสติฟังแล้วเข้าใจลดมีสติแล้วกับบานขึ้นโลนในปัญวาดอกไม้ที่บานได้นั่นก็ต้องอาศัยแสงตะเวนแสงแดดเกษตรปัญวาสู่ฟังเมื่อแสงตะเวนแสงแดดซ่องออกมาแล้วดอกไม้กับบานได้ตามต้องการเกษตรปัญวาเนี่ยเขากับบานได้สนุ้ มันจีเป็นเลือกสั้นวันหน้าตะกุนไม่หยังมันจีมืดตั้งไหนพอผมใว้ฝั่งเนี่ยศาสนาพุทธนี่ล่วงไปได้ห้าพันปีแล้วจีมืดเจ็ดวันเจ็ดคืนวะ่นสวายฝั่งผมยังน้อยอะมืดเจ็ดวันเจ็คืนนั้นเทวดาบังตะเวนไหมวะท่านบานัดนี้คนนี่เที่ยวอยู่ในโลกนี่จีไปพ่อกันอุ้ม ก, กันกัดกันกินเลยพ่อแม่เห็นกันกินกัน ผัวเมียเห็นกันกรเกงกันบุญหุ่นจากพ่อบุญหุจักแม่วะท่านพันว่าเจ็ดวันเจ็ดคืนมันเป็นเนาะท่านเนาะท่นพระพุทธรุ่ในโลกเนาะท่านพันวาให้ฟังที่มีดวงจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้านั้นไปเกอะอยู่ในดวงจิตวิญญาณของพระพุทธรุ่มนั้นท่อกับเม็ดงานเนาะท่นเมื่อมันเป็นท่านเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วเทวดาที่เปิดโลกวะท่านเปิดโลกแต่เป็นการแจ้งขึ้นมาโอ้เปิดโลกวะท่นพบหลงอันเนี่ยว่า พระโธลูกนั่นนะว่าเจ็ดวันจะคืนรจะหาะไปโลกเปิดโลกคือกันนะเปิดโลกหาะไปแล้ไปรวมกันพุ่นแล้วพระพธลูแตกปุ๊มออกไปโลกลสิเป็นฟุ้นไปมดอันรูปกายเป็นวัตถุนั่นนะดวงจิตวิญญาณในจิตทอนกันเข้าทอนกันเข้ารวมกันเข้าเป็นโลกพระพุทธเจ้าสิสิสิจิากสายิสิสิสิสินิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสืสิสิสิสิสิสิสิสิสิเิิสิสิสิสิสิสิิสิ ผู้ใดมีปัญญาแหลมคมนั่นจะได้เป็นพระอรหันต์สันฟังแล้วเข้าใจรู้สันเปิ้นแสดงธรรมแน่เพิ่นว่าผู้ใดบุมีปัญญาปันใดนั้นจะได้เป็นพระอนาคามีสันผู้ใดบุบีปัญญาหลุดลงมานั่นจะได้เป็นพระสักกิทาคาผู้ใดบุบีปัญญาหลุดออกมานั่นจะได้เป็นพระโสดาสผู้ใดบุบีปัญญาปันใดนั่นแหลมบุแหลมคมปัญใดนั้นอ้อนมานั่นก็จะได้เป็นมนุษย์ผู้ใดบุบีปัญญานั้นก็เป็นคนธรรมดาธรรมดานี่วะสันเปิ้นว่าแน่ เพื่อนว่าอย่างสันอันนั้นความว้า ซ, ซ, ซื้อได้น่ะ น, นะเพื่อนรู้จำมาอันนั้นนะผมก็เข้าใจอย่างสันแท้ๆแต่ก่อนผมยังทำบุญให้ทานทำกรรมฐ า, านทำให้เป็นอุปนิสัยว่าให้ข้าพระเจ้าได้ะ เ, เกิดพวมห้าพันปีกำลังมืดๆกำลังทุกๆขณะเพื่อจะได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าจะได้ไปนิพพานว่าสันคมคิดอย่งสันจริงๆแท้ๆเนี่ยเพราะเป็นบุหุจักเด้ deh. นี่มันเป็นอย่างสันอันความบุหุจักเนี่ยมันเป็นบาปหนักที่สุดในโลกให้เข้าใจอย่างสัน อันควมหู่จักเนี่ยเป็นบุญบุญมากที่สุดในโลกของคมหู้จักผมรู้ผมเข้าใจเลยเนี่ยมันเป็นอนนผมไปปฏิบัติธรรมอ่ะผมเขาใจโอ้พอไว้ฟังอันพระพุทธลูกน้ำแม่โตคนนี่เด้อท่านเคยจะเข้ามารวมกันนี่เราเหาะมาบมเม็นเหาะได้ย่ามาได้เนี่ยย่ามารวมกันเนี่ยมาพร้อมกันเนี่ยมาฟังผมเบ้าอยู่เดี๋ยวนี้นี่นะมาหัดให้จังหวะให้ เดินจมกรมเนี่ยอันนี้นี่แล้วเหาะมาแล้วเนี่ยดวงจิตวิญญาณของเขามันมีอยู่แล้วอันมันอกี้หู้น่ะนะอันจิตใจสะอาดสว่างสงบนั่นมันมีอยู่แล้วในคนนี่ทุกคนมันมีอยู่แล้วอันนี้แหละพระพุทธรูปเหาะมาน่ะมันโบแม่นพระพุทธรูปน่ะเหาะไปอันพระพุทธรูปอันนั้นมันเหาะไปโบได้มันยางบบเป็นมันอกี้เหาะได้เนี่ยเขาไปใส่มาใส่ก็ได้ได้พายเอาผมนี่เนี่ยซื้อพระพุทธรูปอะ ว่ามันขางมาสักสิบซื้อแปดรอยพุ่นนะว่ายยังไหนพุ่นว่าเปิดยิงโบ อ, อ้อวาสันโว้ยผมเหี้ยนมบนคงเน้เหี้ยนองคูบ า, าจาย์ผู้สอนนั่นนะว่าอมทุลีทรลีคอกูมีแผ่นทองกังพาสันมันรูปเบื่งคอนี่มันที่มีแผ่นเด็กแผ่นทองมีหนังสมมติว่าซื้อซื้อนี่นะนี่แหละตกอกตกใจจนน้ำตาไหลออกมาสมัวตายตั้งแต่พุ่นเน้ะหันให้เขาฟันคอกระตายคอายขาแล้วก็ตายแล้ว อันนี้แหละเขาบอกว่าจากสมมุติเนี่ยมันสม ม, นสมุติเว้าอันนั้นบมไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นนะอย่าเข้าใจอย่างสัน้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ให้เขาจากทุกข์เนี่ยทุกข์นั้นทุกข์บ่มีเงินบ่มีทองบ่มีข้าวกินบ่มีเหงื่อ น, นอนนั้นบ่มีเหงื่อไส้นั้นอันนั้นคนขี้คานน่ะอย่าคานตั้งอกตั้งใจทําการทํางาน ตามหน้าที่พ่อแม่เขาต้องทําการทํางานหน้าที่ของพอ่อของแม่ลูกก็ต้องทําการทํางานตามหน้าที่ของลูกสอนกันดังซีดีนะอันทุกที่พระเจ้าสอนนั่นคือข่มโกธรข่มโรคข่คมหลงเนี่ยเลือกเชอลูกเมียเขาอยู่ด้วกันเขายังผิดเถียงกันนั่นเด้ดสนิน่ะอันนั้นแหละมันบวชนะไว้น่าใครทั้งมัดเดิมแม่เจ้าหัวไอจัวเดือดเธอตีจัวตีเด่นแล้วก็ไม่ออกพอออก่อเป็นลมน้อยน้อ ย, น, อยนี่ก็ด่ากันขึ้นหนนั่นแหละมันตกหน้าเอามด มันโบยานโบกัวไปทั้งหมดเด้กข่มโกดข่มโลคข่มหลงเนี่ยบวดมาร้อยวันพันปีมันก็บอยานเด็กเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนมันก็บอยานเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันมันก็บอยานเป็นรัฐมนตรีมันก็บอยานมันข่มโกดข่มลงข่มโกดข่มโรคข่มหลงอันนี้มันยานผู้ใดอะท่นมันยานลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้ได้ถือศาสนาพุทธแล้วมันยานอันถือศาสนาพุทธอันบอเป็นว่าเขาว่าวออสซึนนี่เเน๊พุทธะเป็นผู้รู้คุณเน้ ผู้ลูผู้ตื่นผูกบานผู้เนตศาสนาคือโตเฮานี่เน๊ะให้เหาเข้าใจอย่างสั้นเน๊ะเมื่อเขาได้สื่อาศาสนาพุทธแล้วอันนั้นแหละข่มโกดขม่ขมโลภข่มลงมั ญ, ญ้านเขาก็เป็นพระได้พระโซดาเนื่องจึงวันได้กระแสพนิพพานคือได้กระแสข่มคิดนี่แหละเห็นข่มคิดนี่แหละมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บนี่แหละให้มันคือเหาะขุดน้าบอ่อไปเนี้ยไปห่อ น, น้ํำในเหาเสี้ยงเอามากินมากินบอ่อได้มันเป็นตมเป็นเลนมันเป็นอย่างสัน้น พอเดชุดลงไปแล้วเขาเอาหันตักน้ําันออกตักออกตักออกตักออกอันนี้ก็มันคิดมาฮห้ตัดเข้าตัดเข้ามันคิดมาตัดปุ๊บตัดปุ๊บเอกไปเลยอยากไปนั่งสงบอันสงบแบบนั้นมันสงบไตรโมหะอันนั้นมันมันไม่สงบด้วยสติปัญญาอันแบบผมว่าเดี๋ยวนี้มันสงบด้วยสติปัญญาน้ํามันสะอาดอยู่แล้วอันต้มอันเละในซื้อมันให้น้ําบวให้มันสะอาดน่ะเขาตักออกตักออกจากสิบเท้าสาวเธอเขาตักออก มันเต็มบอลแล้วกวนนะมันจนตะตักออกจนมันบอกขุนจากน้อยขุนบวกมีน้าคุนจากน้อยขุนนะแล้วตักใส่ใส่แล้วก็ไม่อย่งตกอยู่ในคนบอเาก็เห็นมืดสิหนวันอันนี้แหละอันวิธีคมคิดนั่นก็คือกันมันคิดแล้วิดตัดลดคิดให้ก่อสร้างคิดดีก็ตามตัดออกตัดออกเมื่อตัดออกแล้วมาจิตหูจักต้นต่อของคมคิดอันคมคิดตัดออกตัดออกในบูตสจิเหตเพื่ออย่างได้เนี่ย คิดเพื่อให้ห่างให้หัวใจขมคิดพุณเน๊ะพอได้มาคิดปุ๊บเห็นปั๊บคุณเน๊อันนี่แหละข่มโกดข่มโลภข่มลงมือนจังจีบัเกิดขึ้นเพลินวาคนลืมตัวนี่คือเคนเอื้นคนประมาทอ่ะสันคนประมาทนี่เอื้นคนตายแล้วอัสสันวาถึงเจะจะมีชีวิตอยู่ก็คือคนตายเนี่ยว่าสันเพลินวาจะมากระตายหรือว่าจิตใจมันเน่ามันเปียกแสะอยู่คุณเนี่เป็นอ่ะสันมากระเน้ากระเม็นนะวาเน่าเม็นจังไดรแต่มันปล้อยมันด้า มันป้อยมันด่ามันข้ามมันตีกันมันรักมันปุ้นกันนี่มันเมามันเหม็นพนวาจังสันอันเหม็นที่สุดก็คือขี้ดิแหล่ะเขาคนตายเนี่ยเขาไปล้างมือออกขี้เนี่เขาไปล้างได้อันเหม็นอันใจมันโกตรมันโลภมันหลงมันเหม็นนี่ก็ขี้คนอีกตึมได้พนวาจังสันขอให้เขาเข้าใจจังสันถ้าหากเขาบอกเข้าใจจังสันแล้วเชื่อว่าเขาบอกเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าบอกเข้าใจคำสอนของพระเจ้าได้ไปศึกษาจังใดมันก็บบูฮูล่ะ การทําการคูดการเคิดทุกสิ่งทุกอย่างล่ะให้มันถูกต้องอืมเฮาเดินทางผิดได้มันบูทุกเด้เดินทางถูกได้มันบูผิดเด้มันเป็นอย่างสันเด้สมมติเฮาจี้ไปกรุงเทพแม่เฮาอยู่บ้านเฮาเนี่ยเฮาบูทุกจากทางไปมาจี้ถูกบอกมันก็บูทูกแล้วเฮาหันหลังให้กรุงเทพอ่ะแล้วหันหน้าไปทางเมืองลาวคุณรู้ไแม่ย่าแไปขยี่งไกลกรุงเทพแล้วหันหน้าไปทางกรุงเทพย่าไปประฮอดซะนวะนี่มันเป็นอย่างสันเด้ นี่ให้เขา อ, อกเข้าใจเขาทิไปบ้านใดเมืองใดเขาต้องหูจักสะกอนให้มันเห็นสะกอนเหมืนอนเข้าใจถ้าหากเขาบโบ้โม่เห็นแล้วมันบ้ได้ใคายครคือพ่อแม่เขาตายไปแล้วก็เขาไปเห็นผู้อื่นว่าคืออีพ่อเขาแท้แท้อเนีย้ยคืออีแม่เขาแท้แท้อเนีย่ยเขาไปจับบุญ เ, เป็นพ่อเแม่เขาแทบบอกมันบุญมป็นพ่อเขา บ, บุบุญเปนมันบุญเปนแม่เขามันคือซื่อซื่อเอาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานสมมตอนี่ก็จะเฮ็ดแต่มันคือให้มันเฮ็ดถ้ามันทูก เจริญสติเจริญปัญญาเจริญนิพพานปัญญาทุกข์ใช่ไหมคือให้ดต่เมันทืกอขันมันบูทึกแล้วมันโบแมนอันโบแมนนะซือว้เมันโบทึกขันมันโบแมนแล้วมันโบทึกขันมันโบทึกแลยเมันพิษในเป็นขันมันมันทุกแลยเมันโบพิษขันมันทุกแลยมันจี้พิดจังไดมันก็หู่จักมันก็ทูกต้องสินะสมมุติเอาย่างไปให้ไปนาเอาเด้เหาก็หุ่จักนาเอาส่วนเอาไปมันก็หัวกระเทือนวินะ เขาบ่มีให้บ่มีนาไปมันกระบอฮอดบ่ถึงแล้วไปบ่ม่นให้เหานาเหาส่วนเหาย่างไปร้อยวันพันปีมันกระบอฮอดแล้วนี่แหละเขาพัฒนาเอาสวัสดิ์นิพานหลังจากการตายแล้วมันบ่มันมันต้องเอาเดี๋ยวนี้นิพานคือความบ่มีความโกดความโลภความหลงคือความหมดพุกนั่นแหละจิตใจเขาอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละมันเป็นลักษณะจังซี่นิพานนะให้มันเส่เสยอยู่างซี่เพิอเอิญอุเปขา อุเปกขาไปประวังเซยไปท่นเพื่อนว่าน่ะขันอุเปกขาแบบแทงเขาเด็กประวางเซยไกลขึ้นเหือนกับโบไลคนมาลักของกับป้ายเขาเอาอันนั้นมันบบแมนอันนั้นอันจิตใจอุเปกขาคือมันบ่มีคมโกดมันบ่มีความโลบมันไม่ยู้คมลงมันยู้ซื่อๆพี่เด้อันอุเปกขาคนมาลักของบพ่ว่านั้นมานิีบหายอันนั้นน่ะอันอุเปกขาดใกลขึ้นเงินโบไล่มันขี้ใสเงินหำมันเม้นอันนั้นนะมันอุเปกขาดเนวนั้นมันคนบ่มูหเว้าดอกอันนั้นนะ เนื้อหับแม้ความเดียวกันเนี่คือความสงบนั่นแลหละถ้าเป็นนั่งสงบอยู่ท่า น, นกน็อันนั้นสงบโบแมนอันนั้นสงบใต้โมหะคือว่านิมิตนั่นแหละอันนั้นนิมิตเห็นสีเห็นแสงเห็นพี่เห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นดวงแก้วเห็นพระพุทธรูปนั่นอันนั้นก็นบอแมนอันนั้นน่ะอนิมิตของคนบุญหูอันนั้นน่ะนิมิตของคนหูกันนิมิตเป็ว่าเครื่องหมายนี่มันพลิกมือขว้มือมันนึกมันคิดให้รู้จักนี่อันนิมิตอันนี้อันเนี้ย ให้เข้าใจอย่างสั้นให้เข้าใจจริงๆถ้าบอกเข้าใจมันจะโบทูกในการปฏิบัติธรรมะส่ระยะเวลาเขามาปฏิบัตินี้ลูกเต้าลูกลานเขามาบอกเขาเดินจมกลมเขาเข้าไปให้เขากินนะบอกเขาเฮ็ดจังหวะบอกเขาเฮ็ดน้ําสอนเขาเขาบอสอนเขาแล้วมันบูงหูจักเมื่อบอสอนมันจะหูจักบอกมันเป็นอย่างสั้นเลยอยา่าจุดสอนให้เขาทางโบดี เพื่นว่าทำดีไว้ให้ลูกทำทุกไปให้หลานเพื่นว่าเขาทำบุญดีไว้ให้ลูกเขาลูกเขาก็ะชบุดีทำผิดแวให้หลานเขาหลานเขาอามาหูมาเห็นก็ะชบุดีบุต้องอาศัยมิยั้งอันเนี่ยอาศัยการกระทำสิ่นนั่นมันมีอยู่แล้วได้ว่าให้ฝังแล้วสิ่นั้นมันมีมาก้อนพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยนั้นพ่นล่ะเขาโบกหูจักแล้วเขาเอาบุญนี่ค่เอาบุญเอาบุญบุญคือความสงบควผิดข้องต้องเถียงกันอุเปฆานั่งกับโบเม้นที่ว่า คุยไปจึงเข้านาเ่าวโบไลกับโบแมน่นใกล้ขึ้นเหือนโบไลกับโบแมนอย่าเข้าใจจังสันควยมากิงเข้าวกับตองไลใกล้ขึ้นเหือนตองไลคนมาลักของตองว่าให้อันจิตใจโอปเป้ขาดวางเสฟอนั่นคือจิตใจมันปราศจากข่มโก้ข่มโลภข่มหลงมันมีอยู่แล้วจิตใจมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเคยได้ยินบ่ในสมัยพระพุทธเจ้ายัางมีชีวิตยู่พระพุทธเจ้าของเหาที่เหาเขาลบนับถือซู ม, มือเดี๋ยวนี้นี่นะ ธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามันมีมามันมีมาก้อนพระพุทธเจ้าคนว่าพระพุทธเจ้าของเขานี่เป็นคนมีสติปัญญาเป็นลูกเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์คนพบคนมูทั้งมัดเมื่อคนพบแล้วก็มาเว้าให้คนฟังมาสอนคนคนก็เลยรู้ตามเห็นตามเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นพระสกีทาคาก็มีเป็นพระนาคาก็มีเป็นพระละหันก็มีก็สมบพรณ์วานะ่ะ แล u, yeah, me, water, I I all, ้วเฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานซูบูเดี๋ยวนี้นี่ฟังเทศฟังธรรมหูวจักบอสหัจักลูกหัจักนามบอสูัวจักทุกขังอนิจจังอนัตตาบอสหัจักสมมติบอสโบหัจักพบโบหัจักแทะผมเฮ็ดบุญมาตะก่อนอันนี้รับรองได้เนี่ยเอาปฏิบัติระยะเฮากําหนดกฎเกณฑ์ั้างในบอสยากผู้มีปัญญาสามารถที่ทําลายความลงผิดได้ยั่งร้อยเปอร์เซนก็มีผู้ที่มีปัญญาน้อยผู้ขี้คานแด่ให้เธอไป กสิได้ต่ำลงมาต่ำลงมาเนี่ยผู้มีปัญญาจังน้อยกสิบุคู้จักไม่อย่างซำ้ำกสิได้ยินได้ฟังซื้อๆมันเป็นอย่างนั้นนี้การเฮ็ดอันนี้มันเป็นการเจริญปัญญาซื้อนี่เนี่ยอันพลิกมือขึ้นคว่ำ ม, มือลงเจริญสติเจริญปัญญาได้เนี่ยมันจิมีดวงตาเห็นธรรมในแท้ได้เนี่ยเห็นแท้แทเห็นคมโกดคมรลบคมโลงแท้แท้เห็นจิตใจนึกคิดแท้แท้นี่จิตใจมันนึกมันคิดนี่มันเห็นแท้แท้ด้ นี่แหละมันเป็นสมบัติของเหาืนี่ว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์มนุษย์ก็คือเหาื่อนี่แหละเป็นผู้ถูกพัฒนาพัฒนาทางจิตทางใจมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงพัฒนาขึ้นให้มันจิตใจสูงจิตใจสูงมันก็จิตใจสูงก็ข่มโกดข่มโลภข่มหลงมันก็บรรลงผิดสนุ๊กิเลสมันก็บรทุม่มบุธบุถมเหงืได้สนว่าเหาจิตใจสูงเล้วว่า คือสมมุติให้ฝังแล้วน้ามันคุ้นเขาอยุดยืนนี่นี่ยยุดนําขมโกดขมลบคมรูยุดนำคมทุกเขาขุดบ่อน้าลงไปแล้วหอดน้ําเนี่ยก็ตักออกตัออกรดน้ําก็ใส่สนวะอันนี้ก็คือกันแล้วเขาได้ยินได้ฝันแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเข้ามันก็เหนือกิเลสสนวะมันก็เป็นมนุษย์ขึ้นสนวะบ่เสียใเป็นนั่งพัถนาอ้อนวอนขอร้องเอาผู้ใดมาให้เขาผู้ใดจะมาให้ทายเขาบ่มีไผมาให้ทเขาทั้งเมดพ่อแม่ก็ให้ทายบ่ได้ลูกก็ให้บ่ได้ ไอ้น้องเฮต้าให้บุญได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นทางสั้าพ่อแม่เขาตายมาหลายแล้วอืมตายหลายสักคนแล้วโบหูโบเฮ็์โบหูมีเงิน้อยล้านผ่านล่างกับโบหูเห็นหนังสือหลายๆกับโบหูมีอำนาจวาสนาไปในกับโบหูเรื่องนี้โบมีเงินจักน้อยกับทาสร้างปฏิบัติหูโลธโบมีอำนาจวาสนาปฏิบัติของหูโลดอันเนี่ยโบได้กาหนดกฎเกณฑ์บวชกับได้โบบวชกับได้ผู้น้อยผู้ใหญ่ได้หมดแต่ว่ายาสุเป็นบ้ากัแล้วกัน ท้าเด็กน้อยนั่นคันปากโบเปลี่ยนแนแทบโบหู้จักแทบอย่างน้อยต้องให้มันบอกได้สอนได้เลี้ยงเต็ดเลี้ยงใกล้เลี้ยงหงูเลี้ยงขวายได้หกปีเจ็ดปีเข้าปีสิบปีในหูละมูอเนี่ยตั้งตั้งใจอย่าสู้ขี้คานมากงายเขาต้องเตื่นเด็กอย่าพูดอย่าคุยกันอือย่าไปเใ็้ไปตามอารมณ์เขาเคยรักษาศินเคยให้ทานมาหลายแล้วทุกคนที่มานี่ได้เคยรักษาศินอุโบสถ ทกคนได้ให้ฐานได้ตักบาตเฮ็ดมาเมดมูลน่ะเฮาบ่งหูหลอเมืองรู้อันนี้เนี่ยรับหลอกวะหูบ่ามากก็น้อยต้องหูทุกคนละบอยกเว้นละนี่หตั้งอกตั้งใจที่เฮามาพากันเฮ็ดอยู่เนี่ยบลับสินรับพรก็ได้รักก็ได้บลักก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุตินี่วให้หู้จักสมมุติจริงๆเลยเนี่ยสมมุติอันสมมุตินี่จะไปทําลายมันเหมือนกันกับเข้าเปลือกนั่นแหละสมมติเนี่ย เอาทเทมป์ข้าเปลือกเลยเฮาจีบุได้กินข้าวสุกขันเฮาเอาได้ข้าวสุกไว้บหมือนจีบุลมีเข้าเปลือกเฮ็ดเสื้อมันปีหน้าเนี่ยอันสมมตุติอันนั้นนะอันเฮาเฮ็ดบุญให้ฐานรักษาศีลมันเป็นเพียงสมมุติก่อร่างสร้างตัวสร้างโบสถ์สร้างวิหารการปฏเรียนมันเป็นสมมุติเฮาเฮ็ดนาเนี่ยเอาเข้าวปลูกไปว่านูกลางนาคนมันออกนอกมาถอนไปตะไปดำอีกตื่ม